ตอนนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายฟังคําแนะนําศักดิ์สิทธิ์นาทีเศษเศษการเจริญพระกรรมฐานตอนกลางคืนนี้เป็นการเจริญพระกรรมฐานแบบสุขวิปัสสโกแบบสุขวิปัสสโกนี่ตามปกติแล้วไม่มีทิพยคุญญาณไม่สามารถทรงอภิญญาได้ แต่ก็สามารถทรงสมาธิเกิดเป็นฌานสมาดักปัดได้เป็นพระอริยเจ้าได้ปานิพานได้ท่านยังเรียกว่าสุขเวปบสสโกคือปฏิบัติบรรลุง่ายๆไม่มีวิชาสามได้พิญญาหัวเข้าแทรกแต่สำหรับแนวาการปฏิบัติรันดาแทนพุทธบริษัทการบรรลุมรคผลทั้งหมดก็ต้องถือพื้นฐานว่สุขเวิบสสโก ฉะนั้นชั้นที่เจริญชละพิญโยคือมโนยิทธิมาแล้วก็ทำได้ไม่จะทำไม่ได้ที่ตอนกลางคืนจะแนะแนวในด้านสุขภาพกายใจโกเพราะว่าต้องการให้บรรดาธิมุตบริ ษ, ษ, ษัททรงอารมณ์จิตเรียบเรียบถ้าสอนแบบชละพิญโยกันตรงตรงทั้งเช้าและกลางคืนท่านไม่สามารถจะทรงสมาธิทันสมาธิทรงตัวได้นาน ดังนั้นเวลากลางคืนเป็นการฝึกสมาธิอสอ่งตัวได้นานเวลากลางวันเป็นการฝึกด้านฉลาดพิญโญคือวโนยิทธิสำหรับการฝึกด้านสุขาเวสโกนีคาภาวนาบรรดาท่านพุทบริษัทไม่มีการจํากัดเฉพาะเบื้องต้นนี่ไม่มีการจํากัดแต่ว่าตอนเข้าประจําจะจัจะจะกองเขาจะหลอันนี้จํากัดคำภาวนา ใน <c oughs> เวลานี้เป็นการฝึกเบื้องตน้นจะใช้คำบรรณาไว้ยังไงก็ได้เรียกว่าสำหรับวันดาแทนพุทธบริษัท ต, ต้องการจะฝึกมโนยิทธิให้มีการคล่องตัวในตอนก ว, วันเวลานี้การซักซ้อมคำบรณาคือใช้คำบรณาวณัมาภาทะที่เวลาให้ใจเข้านึกว่าพระนะมะ เวลาให้ใจออกเนวพาทะขอฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาให้ใจเข้านึกวาณนะมะเวลาให้ใจออกเนวพาทะเป็นการซักซ้อมไม่เพิกเป็นการเข้างตัวเพราะเวลาที่จะฝึกมโนยทธิและชลกดัญญาจริงๆถ้าไม่เคร่งตัวในคำภาวนาการปฏิบัติจะไร้ผล ในตอนต้นนี้คาบรรดาแต่บริษัทใช้คำบรรณานี้ิคลองตัวการภรวนาคือหายใจเข้านึกตามบรรณมะหายใจออกนึกตามวภาตตะขอฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาหายใจเข้านึกตามบรรณมะเวลาหายใจออกนึกตามวภาตะ นณะที่ท่านรู้ลมให้ใจเข้าและใจออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ดีตอนนี้ขอทุกคนอย่าทําอารมณ์ให้เครียดปล่อยการให้ใจไปตามปกติอย่าบังคับลมให้ใจให้ยาวหรือสัน้นให้หนักหรือให้เบาถ้าทําอย่างนั้นผลการสมาธิจะไม่เกิดเพราะการบังคับใจ ต้องปล่อยลมหายใจไปตามสบายของร่างกายร่างกายใช้ใจแรงหรือเบาเป็นเรื่องของร่างกายร่างกายใช้ใจสั้นหรือยาวก็เป็นเรื่องของร่างกายเราจริงๆต้องการเอาจิตเข้าไปรับทราบว่าเวลานี้หายใจใเข้าหรือว่าเวลานี้หายใจออกถ้าขณะใดจิตรู้อยู่ว่าหายใจเข้าหรือหายใจออก โดยโดยไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นสมาธิในอาณาปานุสติกรรมฐานและท่านรู้คําภาวนาด้วยก็เชื่อเป็นสมาธิในคำภาวนาด้วยเป็นสองสมาธิไปกันคู่กันคือเป็นสมาธิในาณาปานุสติกรรมฐานด้วยเป็นสมา ธ, มธาดดมาิในกองที่ภาวนา ด, ด้วย เวลาที่ทำภาวนาอยู่จงอย่าคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกให้พยายามบังคับสติสัมปชัญญะของท่านสติคือการระลึกนึกไว้สัมปชัญญะคือการรู้ตัวก่อนจะทำขอว่รดาแทนพุทธบริษัทให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริง ว่าเวลานี้เรากําลังเจริญพระกรรมาฐานไม่ใช่มาคิดเรื่องประลมโลกเลยคิดนอกที่ตอกรอยวง์การของการเจริญพระกรรมาฐานก็คือหนึ่งรู้ลมให้ใจเข้าา ใ, ใจออกอันนี้ต้องบังคับจิตต้องบังคับใจของเราให้เป็นไปตามโลกนี้แล้วก็บริการในสองรู้คําภาวนา แต่ว่าการที่จะบังคับสติสัมปชัญญะให้รู้ลมหายใจเข้าก็ดีลมหายใจออกก็ดีหรือว่ารู้คำภาวนาก็ดีอย่างนี้เราก็ไม่สามารถจะบังคับให้เป็นไปได้ตามใจชอบทุกเวลาทั้นี้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีใจของเราก็อาจจะเผลอ ไ่คิดอย่างอื่นไปบ้างบางทีภาวนาไปก็ดีรู้ลมไม่ใจเขาออกก็ดีจิตมันมีสภาพฟุ้งซ่านจนชินก็เกิดมีความรู้สึกคิดคิดนอนคิดนี่เน่าเรือออกรอยอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเรายังเป็นผู้ฝึกไม่ใช่ผู้ทรงฌาน ดังนั้นถ้าบอกเอืญจิตไม่คิดนอกรื่องนอกรอยไปบ้างก็อย่าเพิ่งตำหนิว่าเราเป็นคนเลวคือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ต้องระมัดระวังเมื่อรู้ตัวว่าเวลานี้คิดนอกจากคำภาวนาก็ดีหรือว่าไม่สนใจกรุ่มให้ใจก็ออกก็ดีเมื่อรู้ตัวขึ้นมาแล้วหวังกลับเข้ามาตั้งต้นใหม่คือเอาจิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจเข้า ใ, ใจออก แล้วภาวนาควบคู่กันไปขณะใดาที่จิตของท่านรู้ลมให้ใจเข้าออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ดีขณะนั้นจิตของท่านมีสมาธิเพราะคำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจสาหรับเกินเจริญสมาธิบัรดาท่านพุทธบริษัทสมาธิของท่านจะดีหรือไม่ดี อยู่ที่นิวนรณ์ห้าประการนิวนรณ์ห้าประการนี่ในพระไตรวิดกพระบิดาเจ้าทรงตัดเรียกว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทําปัญญาให้ถอยหลังฉะนั้นนิวนรณ์ห้าประการนี้ท่ายอย่างใดอย่างหนึ่งเข้า ม, มาสิงในจิตของท่านในเวลาที่ภาวนาก็ดีพิจารณาก็ดี แม้แต่อย่างเดียวเวลานั้นจิตของท่านจะไม่มีสมาธิเลยการปฏิบัติของท่านจะไม่ได้ผลมีวอนห้าบรการนี้ท่านต้องงดเว้นไม่นึกถึงมันในขณะที่เราภาวนาและพิจรารณาก่อนที่จะมาเจริญกรรมฐ า, านมั น, นึกบ้างเป็นของธรรมดาของจิตใจ เมืลเลิกเจริญกรรมาฐานแล้วมันนึกถึงนิวรณ์บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของจิตใจไม่มีใครก็ห้ามเพราะนิวรณเป็นกินเลสที่เราคบหาสมมาคมมาเป็นอสงไขยกับโยอย่จะขับให้มันพ้นไปทันทีทันใดนั้นไม่ได้แต่ว่าโดยเฉพาะที่เรามาเจริญภาวนานี่เราจะต้องไม่ยอมให้นิวรณ์เข้ามากกนใจอย่างเด็ดขาด นั้นนิวรบรรดาธพุทธบริษัทจะต้องรู้จักหน้ามันอารมณ์ที่เรียกวนิวรคือเป็นกิเลสหยาบที่ทําปัญญาให้ถอยหลังนึกรวมความง่ายๆว่าณิวรณ์เขาเสียงใจเมื่อไรเราเป็นคนโง่เมือนั้นอารมณ์ภาพอย่างที่เรียกวนิวรก็คือหนึ่งกามะมาชันทะความคุ้นคิดทั้งของสวยสดทงงามและคนสวยรูปเสียงรูป รูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเรื่องอย่างนี้อย่าให้มีในจิตใจเขาบรรดาทนพุทธบริษัทขณะที่ภาวนาโดยการในสองอารมณ์ที่ไม่พอใจต้องทิ้งไปซิ้ในเวลานี้โดยการในสารอย่าปล่อยให้ความง่วงเข้ามาครอบงมจิต ในการนี้สี่อย่าปล่อยจิตผู้สร้าง น, นอกเหนือจากคำภาวนาแ ล, ล้วลมหายใจเขาออกอย่าให้มันแยกตัวออกไปให้มีอยู่ในขอบคขตกองลมหายใจเขาออกและคำภาวนาแล้วก็ดีห้าอย่าปล่อยให้จิตสงสัยในคุณธรรมบัตรที่เราทําได้แล้วคือคุณธรรม ท, ที่เราทําได้แล้วอย่าสงสัยกลุ่มความอนิจจาว่าวบริการคือหนึ่งอารมณ์รักระหว่างเพศ สองอารมณ์ไม่พอใจสามความว่วงสี่จิตฟุ้งซ่านนอกเรื่อตอกรอยห้าสงสัยในผลการปฏิบัติห้าอย่างนี้ ท, นท้าธรรมดาต่าพุทธบริษัทมีอย่างใดอย่างหนึ่งอในจิตวันนี้คำว่าสมาธิจิตไดชาสมาบัติจะไม่เกิดกับรรดาท่านพุทธบริษัทเลย ต้องห้ามอารมณ์ทั้งห้ามรายการในใิยัยเข้ามาย่งกระจายขณะที่นั่งอยู่ที่นี่ในการจเจริญสมาธิจิตในด้าสุขคขาพุทธสัยโกก็ต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์เป็นสุขอย่าหลงภาพแสงสีต่างๆบางีเห็นภาพสีขาวสีเขียวสีแดงภาพนวล ภ, ภาพนี้มาจงอย่ายยึดถือเอา ให้ยึดถือลมหายใจเขาออกกับคำภาวน า, าเป็นเกณฑ์ยึดไวเท่านั้นถือต้องการแค่รมจิตเป็นสุขแต่ว่าท้านไปยึดถือเ ถ, ถือภาพต่างๆจิตใจของท่านจะไม่เป็นสมาธิใจมันจะไม่สมส่งตางความมุ่งหมายเวลาภาวนาบรรดาทรรพุทธบริษัททันหลาย ภาวนาจะว่าอย่างไงก็ได้แต่เวลานี้คนใช้คำวัณะมาพอทะเพื่อจะให้ได้ผลดีก่อนที่บรรดาท่านพุทบริษัทจะภาวนาให้ใช้ปัญญาในได้วิปัสสนาอย่างก่อนคือพิจารณาตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นคนเนี่ยเป็นสุขและเป็นทุกข์โลกวันนี้รูปโลกวันรุนนี้เป็นโลกที่มีความสุขและความทุกข์ ใช้ปัญญานิดเดียวถ้าเห็นว่าเราเกิดวันนี้เต็มบริความทุกข์ไม่มีความสุขตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายความหิวเป็นทุกข์มีทุกวันความหนาวเกินไปร้อนเกินไปรู้ไม่สบายใจมีทุกวันเป็นทุกข์การปวดอุจจาระปัสสาวะเป็นทุกข์การประกอบกิจการงานต่างๆเลยยากเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ลวมก็คิดในใจว่าถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้จิตชาติก็เต็มไปด้วยความทุกข์เราไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าเราจะเป็นเทวดาและผมเทวดาและผมเมื่อหมดความทุกข์แล้วเมื่อหมดความสุขแล้วพ้นจากความเทวดาและผมคือหมดบุญวาสนามารามีแล้วต้องกลับมาทุกข์ใหม่ด้วยกรรมกา ร, การเราต้องการคนิพาน ก่อนจะภาวนาให้ทําจิตให้แนวแน่อย่างนี้ก่อนจิตท่านจะโปร่งใสกำลังใจจะเป็สมาธิทีตอนนี้ไปขบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายให้เริ่มปฏิบัติภาวนาได้ตามอัปยศใสจะให้เวลาไว้สามสิบนาทีสำหรับในการนั่งทําเมื่อยก็พลิกหน้าพลิกหลังได้นั่งขัดสมาลก็ได้ขานั่งเพืพ่อเพียวได้ตามอัปยศใสตอนนี้ไปขบรนดาท่านพุทธบริษัททหลายเริ่มปฏิบัติได้